วันนี้เป็นวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558มุหอวานเป็นวันพระราชทานรัฐ ธ, ธรรมนูญของประเทศชาติเป็นวันหยุดเป็นวันสำคัญของประเทศเป็นวันที่ทุกคนต้องมีกฎหมาย คุ้มครองแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายในเมื่อพวกเราปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายก็ต้องคุ้มครองเราถ้าเราหลวงละเมิดกฎหมายกฎหมายจะคุ้มครองเราได้อย่างไรเพราะเราไม่เคารพในกฎกติกาเพราะนั้นกฎหมายอยู่กับความอยู่กับพวกเราถ้าพวกเราให้ความเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายก็คุ้มครองพวกเราเพราะนั้นพวกเราต้องดูทั้งสองเงื่อนต้องเราต้องปฏิบัติให้อยู่ตามกฎหมายที่ออกมาแล้วเราต้องอยู่ในกฎหมายอยู่ในระบบของกฎหมายกฎหมายจะคุ้มครองพวกเราถ้าเราอยู่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แลกกฏหมายจะคุ้มครองเราได้อย่างไรเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปแล้วนีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เน่เราต้องดูการกระทาผิดในหลักพระธรรมวินัยในหลักธรรมคำสอนของพุทธะในกฎระเบียบของพระธรรมวินัยท่านเน้นเรื่องเจตนาเป็นหลักนะลูกหลานน ะ, เ, ะเจตนาหางพิกเวกรมมังวดามิถ้าหาว่ามีเจตนาไม่ดี เจตนาร่วงละเมิดอันนั้นผิดกฎหมายเป่าๆ เ, เลยโทษหนักแต่ถ้าไม่รู้ทำลงไปไม่รู้ไม่รู้ว่ามันผิดแต่ก็ให้อภัยตักเตือนว่าอย่าทำอีกนะทามันโทษมันเบานะแต่ทุกแต่โดยมากมันมั น, มนรู้จะก่อน จะไม่รู้ได้ยังไงมันโทษหนักแต่มันโทษเป่าไม่รู้นะ่นก็ให้อภัยถ้าไม่เจตนาก็ยกโทษให้ให้คำว่าไม่เจตนามันมันเป็นความผิดแต่หลวงพ่อจะยกให้ฟังในสิกขาบทที่ว่าโทษประหารของพระข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งก็คือโทษประหารก็คือเนี่ยนะในหลักของพินัยก็คือเพศัมพันกี่พระองค์หนึ่งท่านไม่รู้ท่านเป็นลูกเศรษฐีท่านก็แต่งงานท่านก็ออกไปบวชต่อมาท่านก็เ น, นี่ยเขาขอท่านก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดแต่ท่านี่พอทำลงไปแล้ว ทั้งเทวดาทั้งที่มองไม่เห็นจั ก, กรวาล <c oughs> บอกว่าพุทธศาสนาเป็นมีมนถินจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เอาเรื่องราวมาท่านก็บอกว่า ท, ท่านไม่รู้ว่ามันจะผิดเอาไม่เป็นอะไรยกโทษให้แต่ถึงจะยกโทษให้ขนาดนั้นก็เถอะท่านเป็นปุถุชนท่านหูเราไม่น่าจะทำให้จิตใจของเรา เสียหายถึงขนาดนี้จากนั้นท่านกับตอมอกตอมใจนะท่านก็ตายพอตายไปแล้วไปตกนรกนะทั้งที่ไม่รู้นะไม่มีเจตนาทั้งที่ไม่มีเจตนาท่านไม่รู้นะตันไปตกนรกองค์กถาการกระทำครั้งแรกถึงท่านยังไม่รู้แต่ท่านเสียใจยแต่ท่านไม่ผิดนะแต่ไม่ผิดก็จริงอยู่แต่ว่าท่าน ใจเศร้าหมองจิตใจของท่านเศร้าหมองในขณะที่ท่านทำสิ่งที่มันอาบัตที่เป็นอาบัตหนักขนาดนั้น <Yeah. S 1> ต่อมาอีกพระภิกษุลืมปิดประตูมีคนเข้ามาผู้หญิงเข้ามาข่มขืนท่านองค์นี้พระสงฆ์เลยกระโจดไปกราบพูดพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่ า, วาไม่เจตนา <Yeah. S 1> ไม่เจตนาไม่ผิด องนี้แต่องค์ต่อมาอีกไม่ปิดประตูถึงคือเจตนาแล้วนะถึงเพื่อจะให้เขามามข่มขืนตัวเององค์นี้บอกว่าไม่ได้อง์นี้ขาดจากการเป็นพระผิดองค์นี้นี่แหละคือพระวินัยของพระพุทธทเจ้าเนี่ยที่ตั้งแต่ขั้นแรกองค์แรกแล้วก็องค์ที่สองแล้วองค์ที่สามเป็นยังไงสรุจแล้วก็สรุปแล้วก็คือเจตนา เจตนาหังพิเกเขวกรรมังวดาบนะิเพราะพะนั้นในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยหลวงพ่อเขาว่าอยากจะให้ต้องดูจุดนี้อีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากระจับขังเข้าคุกเข้าคุกเข้าคุกผลที่สุดก็เลยพวกเราก็เลยไปเลี้ยงแต่ขี่คุกในตลาดทั้งที่ <c oughs> พอจะมีเจตนา เขามีเจตนาไหมเขามีเจตนาทำอย่างนั้นไหมเขารู้ไหมมันต้องประมวลออกมาแต่มันเจตนาแล้วควรจะลงลงสถานหนักไปเลยทำไมทำผิดแล้วผิดอีกอันนี้ก็คือผู้ที่ถือกฎหมายผู้ที่ถื อ, อมีอำนาจถือกฎหมาย แต่ให้หลักทำคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นไปทางเจตนานะเจตนาหังพิกเวกัมมังวดามิคือเจตนาเป็นหลักถ้าว่าทำด้วยเจตนาทำด้วยความสะเ่ามักง่ายหรือว่าทําด้วยความเสื่อเพลทําไม่รอบคอบโทษมันก็เบาลงอยู่แต่ว่าเจตนาเนี่ยเป็นหลักโทษหนักทีเดียวเพราะ การกระทําอันนี้ก็คือกฎระเบียบวินัยพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันต้องดูการเป็นอยู่ธ้ามีทั้งรู้ทั้งรู้แต่มีที่รับที่แจ้งการกระทําอย่างที่รู้ว่าในวัดของเราไม่ใหทานอาหารตอนเที่ยงก็จะแล้ ว, วก่อนเที่ยงก็จะก็รู้อยู่แล้วว่า ครองคของเราเป็นพระธุดงกรรมฐานฉันมื้อเดียวแต่โอตัวเองเนี่ยทะเลทรายไปฉันกลับไปฉันสองมือ้ออย่างเนี้ยมันก็ผิดแหละเออมันผิดกฎแต่ไม่ผิดวิ น, นัยกฎระเบียบภายในวัดของเรานะ่มันผิดไปฉันได้ยังไงเพราะฉันมื้อเดียวเราก็ต้องหยุดตามกฎระเบียบถ้าตัวเองอยากจะไปฉันสองมือก็ต้องออกจากวัดนี้ไปวัดอื่น อันนี้คือผิดกฎแต่ไม่ผิดวินัยผิดกฎระเบียบอันนั้นก็ต้องกล่าวย้ําเตือนอย่าทําอีกถ้าคืนทําอีกต่อไปก็ต้องออกจากวัดถ้าท่านมันก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือกฎระเบียบของวัดนี้กฎระเบียบของครูบาอาจารย์สายนี้อันนี้นก็คือกฎระเบียบแต่วินัย ้างวีนัยไปฉันในเวลาวิการทางวินิารันั้นโทษหนักะนะท่านทางรู้ทางรู้เราจะไปฉันในเวลาวิการปรับอบัตโทษปรับปาจิตติะอะไรนนีอันนั้นไม่ควรให้อาภายอัยอะไรท่าออ่แปลว่าต้องออกมาเฉ่งกันอย่างหนะักหยุดหรือไม่หยุดถ้าไม่หยุดถ้ามีพฤติกรรมก็ต้องไล่นี้ออกจากวัด ไล่ไปที่ไหนไล่ไปออกไปตามนั่นอ่ะเผลอเผลอก็ต้องออกมาจับราศีขาไปเลยถ้าปฏิบัติตนไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะอการกระทําอย่างนั้นทําให้เสียหายเราเป็นพระบวชในพระพุทธศาสนาแล้วทําไมหอถ้าไม่มีความสามารถจะรักษาศีลวินัยได้ก็จะอยู่ไปทําไมเอาออกไปเป็นฆราวาสซะฆราวาสเขาเปิดรับอยู่แล้วเขาไม่ได้ปิดกัน้น เหมือนกับนักฟุตบอลอตัวเองเตะไม่เป็นเตะสเปซสปะเขาจะให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติได้ยังไงเขาก็ต้องปลดออกเเพราะเหตุไรเพราะอตัวเองไม่อยู่ในกฎกติกาไม่เข้าเป้าพูดง่ายง่าเตะไม่ดีเตะไม่เข้าเป้าเราจะจะให้อยู่ได้ยังไงอมันก็ต้องปลดระหว่างไล่ออกไปเอาคนที่มีความสามารถะ เข้ามาเรียนออกมาศึกษานักศึกษาก็เหมือนกันถ้าว่านักศึกษาเข้ามาแล้วน่ะทําปิดกฎกติกาขี้เกียจเรียนหนังสือสอบเท่าไรก่อนห่วยห่วยแล้วก็จะไปให้เอาออกสอบให้ได้ทั้งหมดได้ยังไงได้หรือไม่ได้ก็ต้องให้ได้อย่างนั้นก็แสดงว่าโรงเรียนนั้นหรือมหาวิทยาลัยนั้นไร้คุณภาพเอ่า ไม่มีคุณภาพในมหาวิทยายาลายัยไม่น่าเชื่อถือเออที่จบมาแล้วก็จบอย่างนั้นอ่ะใคร้ๆว่าเข้าไปแล้วก็ต้องจบเออหลักของพระศาสนาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันถ้งว่าเข้ามาแล้วตังต้งต้นไม่ดีประพฤติตนไม่ดี เ, ดดเออไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยเออครูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้านยอย่างหลวงพ่อนี่ที่เป็นประธาน เป็นเจ้าของของเจ้ า, าวาดเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์หลวงพ่อจะต้องเรียกประชุมสงฆ์จะหยุดไหมการกระทำอย่างนี้ทำไม่หยุดอาแต่ทายัางไงขั้นตอนต่อไปแปลว่าท่านหมดความสามารถท่านไม่มีประสิทธิภาพท่านไม่สามารถที่จะดำงรงสงสารศาสนาไม่รักษาธรรมวินัยได้พิจารณาตัวเอง มันก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นอยู่เด่นเด่นด้านๆมากมายหลายองค์แต่ว่ากา ร, ระพฤติปฏิบัติย่อหย่อนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับนักศึกษาต้องการนักศึกษามากแต่นักศึกษาไม่มีคุณภาพเป็นยังไง <c oughs> ต่อไปมหาวิทยาลัยนั่นก็ไม่มีคุณภาพเพราะอะไรเพราะว่า เอานักศึกษาที่เอามาเรียนแล้วจบไปก็จบไปอย่างนั้นล่อก็รู้ๆกันอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยสรุปแล้วก็ให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีให้อยู่ในกฎระเบียบในกฎนั้นๆจากนั้นก็ในเมื่ออยู่ในกฎนั้นๆแล้วก็ หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรแต่มหาวิทยาลัยแต่ละขแขนงเขาก็เน้นหนักของเขานะเขาก็เน้นหนักของเขาอันนี้เขาเน้น ว, วิทยาศาสตร์สายไหนคณิตศาสตร์สายไหนกเกษตรศาสตร์สายไหนมันมีเยอะแยะไปหมดแต่ละสายอย่างแพทย์ก็เหมือนกันเอาแพทย์สายไหน พอเรียนภาพรวมเสร็จแล้วก็เอาหมอตาเฉพาะตาเก่งเฉพาะหูะเก่งเฉพาะออะไรต่อไม่อะไรกระดูกอะไรผิวหนังมีต่างเยอะแยะไปหม ด, ดเลยขนาดแ พ, แพทย์ธรรมดาอันนี้พุทธศาสนาเนี่ท่านเน้นหนักเรื่องไหนอถ้าบวพอบวชเข้ามาท่านก็มีสองนะอคันถารธุระคือการเรียนการศึกษาวิปัสนาธุระ คือการให้ภาวนาเข้ามาอยู่ป่าดงพงไพในอย่างพวกเราเนี่ยพระวิปัสนาธุระที่พระเรียนหนังสืออยู่ในเมืองนะว่าพระคันธาธุระพระคันธาธุระนี่แปลว่าเรียนหนังสือพอบวชเข้ามาแล้วก็เรียนหลักพระธรรมวินยัยตั้งแต่พอบวชเข้ามาอาจารย์ก็ต้องสอนหลักพระธรรมวินยัยพอสวนสอนถักพระธรรมวินัยถ้าองค์ใดมีอุปนิสัย พอเรียนจบแล้วกนะ็ออกมาปฏิบัติอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยพอได้ ป, ปทศสามเท่านั้นนะท่านก็เอาเลย เ, เราไม่เอาละทางปริยัตมหาสี่มหาห้ามหาหกมหาเจ็ดมามหาแปดประโยคมหาเก้าประโยคคือจะเก้าประโยคนะอสูงสุดคือเก้าประโยคเราไม่เอาละ เ, เราออกแค่สามเราออกปฏิบัติเดินวิปัสสนาหลวงตาท่านก็ออกทาง ออกมาปฏิบัติเรื่องวิปัสสนาท่านไม่ไม่เดินทำตามคันถาธุระอ่าแต่บางองค์ท่านก็พอบวชเข้ามาแล้วก็ท่านก็เป็นเรียนคันถาธุระคือเรียนพระไตรปิฎกเรียนพุทธวจนะอ่เรียนหลักพระธรรมวินยัยเรียนอคาบาลีพระพุทธเจ้าตราที่ไหนอย่างไงท่านจะรู้ทั้งหมดท่านเก่งกว่า พวกในท่านปริยัติเนี่ยท่านต้องเก่งต้องแม่นติงเก่งกว่าพวกเราแต่พวกเราไม่ต้องเรียนมากอาพอเรียนหลักพระธรรมวินัยนะควรจะมีศีล น, นะ2องยยีมีอะไรมีศีลรักษาศีล น, นะอย่าล่วงละเมิดในศีล น, นะ เ, เมื่อศีลมีศีลแล้วต้องเรียนสมาธิปิธานพิธีทำสมาธิทํำยังไงให้มีสติสัมปชัญญะ วิธีการทำทำยังไงถ้าหากว่ า, ากำหนดลมหายใจเดินจงกรมนั่งภาวนาถ้าจิตใจมันไม่อยู่จิตใจมันทะเลถลมันล้งไม่อยู่มันเอาไม่อยู่อา้าวพยายามอดอาหารนะ อ, อดนอนนะคล้ายๆกับว่ า, ามันกำลังมันมากเกินไปมันล้งไม่อยู่มันเอาไม่อยู่พยายามดู อันนี้แหลคือปฏิบัติครูบาจารย์แกจะแนะนําสั่งสอนวิธีการที่จะทําสมาธิให้จิตใจให้สงบนะทำอย่างไงจากนั้นก็เดินวิปัสสนาเมื่อจิตสงบแล้วต้องเดินวิปัสสนานะวิปัสสนึกก่อนนะต้องนึกซะก่อนนะต่อไปก็เป็นวิปัสสนาการกลองไตรตองหาเหตุและผลเรื่องมันมาเป็นยังไงในตัวของเรานะกายใจของเรากายวาจาใจของเรานะเป็นยังไง เนีอันนี้คือวาจานก็ต้องสอนทางวิปัสสนาจนถึงหมดถอดถอนกิเลสภายในจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวักิเลสให้ได้แต่ไม่แต่ฉานในปริยัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนคํานี้เป็นยังไงถามพระบาลีถามบาลีในกรรมฐานเลยต้องติดหมดทุกคนนะเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เรียนบาลีท่านเรียนแต่ากกภาคกิตตภวนา ถ้าถามเรื่องจิตตภาวนาจิตเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงแนวความคิดเป็นยังไงอันนั้นถามมาถือท่านคล่องเพราะท่านศึกษามาสายนี้เนี่ยเหมือนกับเราเออถามเมื่อเราเป็นปวดตาเราไปถามหมอกระดูกลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ตอบได้อยู่เพราะเขาได้เรียนมาภาพภาพรวมก็ได้ศึกษามาแต่จะให้เก่งเหมือนกับหมอตาไม่ได้ล่ะเหมือนเพราะหมอกระดูกนะ่นี่แหละ อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะถามปริยัตเนี่ยเราต้องไปถามพระอยู่ในเมืองมหาปเปรียนท่านได้เปรียญไหมเปรียนสมี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าไหมปเปรียญ ไ, ไหนเราไปถามได้ศึกษาหรือปริยัตินะแต่้าว่าเรามาศึกษาในปฏิบัติแล้วก็ต้องมาถามพระกรรมฐานครูบาอาจารย์เวลาภาวนาจิตใจมันคิดอย่างนี้จิตใจมันไปอย่างนั้นจะทำยังไง ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านจะแนะนำให้ฟังเลยวิธีวิธีทางเดินของจิตใจความนึกคิดของจิตใจใจของเรานึกคิดอย่างไรท่านจะอธิบายให้ฟังได้เข้าใจได้ไปเลยเพราะท่านศึกษามาทางนี้นี่แหละให้พวกเรารู้ว่าการบวชเข้ามาก็มีสองเหมือนกันนะปริยัดคือการเรื่เรียนศึกษาปฏิบัติก็คือเออหมาะพอ รู้เด่วทางแต่ว่าพวกปฏิบัตินี่จะไม่เรียนศึกษาเลยใช่ไ้มไห ม, ไมใช่แต่ไม่เรียนมากเรียนวิธีรู้จักวิธีการแล้วก็ออกมาปฏิบัติเลยเนี่ยไม่ได้เรียนในรายละเอในรายละเอียดเรื่องราวต่างๆโครงสร้างของพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงใ น, ในพระไตรปิฎกไม่ได้เรียนถึงขนาดนั้นแต่เรียนวิธีการปฏิบัต เฉพาะนาพอเรียนจบแล้วก็พอเรียนผู้รู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยเหมือนกับเราวิธีการทํานาพวกเทาเรียนเรียนเกษตรอย่นี้ตั้งสามสี่ปีเรเรียนวิธีการแต่ว่าพวกที่ทํานาเนี่ยเรียนตามพวกกว่อก่ตามครูเลยเอมพอมาเสร็จแล้วก็เรียนเรียนแล้วก็ประสบประการณ์แต่เป็นนักสังเกตทําอย่างนี้มันข้าวมันเป็นอย่างงั้น ข้าวมันเป็นอย่างนี้ต้องเอาตัวนี้มาใส่แต่พวกฝ่ายตําราเขาเนี่ยเขาก็เรียนเขาก็เรียนในตําราแต่ถ้ามันทาว่าได้ตํารานะด้วยได้ทั้งตำตำราด้วยทั้งภาคปฏิบัติด้วยมาผนวกกันออันนั้นตี่อย่างองค์หลวงตาองคหลวงตาที่ท่านได้มหาป ร, ริญญาสามถ้าขั้นมาภาวนา มาปฏิบัติการหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนวิธีการปฏิบัติลวงตามหาบุก ป, ปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จแล้วทั้งปริยัตของท่านเนี่ยที่ท่านได้เรียนมาทั้งปฏิบัติของท่านได้ศึกษามากับอย่างปฏิบัติการหลวงปู่มั่นทั้งสองอย่างผนวกกันท่านจึงเป็นผู้แตกฉานอธิบายเรื่องหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็เปรียบเทียบกับปริยัต ก็เปรียบเทียบเข้ากันได้เพราะฉะนั้นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาหรือการแนะนําขององค์หลวงตาเนี่ยจึงเป็นตําราเป็นตํารามได้คล้ายๆกับยอมรับได้ทั้งปฏิบัติทางปริยัติธรรมเทศนาของหลวงตาเพราะท่านได้ทั้งสองอย่างท่านได้เป็นมหามหามหาป ร, ริยนตสามประโยคและก็ปฏิบัติอยู่ในสายของหลวงปู่มัน่น ท่านก็นรับรองรับประกันท่นว่าเราเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเราชำระใจของเราเป็นบริสุทธิ์แล้วพระหันในครั้งพุทธกาลอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นไงหลวงตาประกาศอย่างนั้นนะคณะทายาทโจมลูกหลานนี่แหละท่านจึงเราจรึงยอมรับว่าหลวงตาได้ทั้งทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติในเวลาการแนะนําสั่งสอนของท่าน อถึงมีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมแผ่วพราวถ้าเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์กรรมาฐานอย่างหลวงปูต่างๆนะท่านก็พูดก็แนวแถวที่องค์หลวงตาพูดแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบเข้ามาทางปริยัติแล้วท่านได้จะภาคปฏิบัติอย่างเดียวเอแต่ฟังรูแล้วก็ น, น่าเคารพนับถือเลื่อมใสในแนวปฏิปทาของท่านครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่เหล่านั้นแต่ถ้าว่า มาเปรียบเทียบเป็นที่ยอมรับกับสาธารณชนแล้วก็ของหลวงตามหาบัวเนี่ยรู้สึกว่ า, เ, าเป็นที่ยอมรับของของคนทั่วนหน้านะเพราะนั้นวันนี้ก็หลวงพ่อเองได้บอกกล่าวแนะนำว่าการเปิดมาของพุทธศาสนาเนี่ยาการกระทําความผิดคื อ, คอเจตนาเจตนาหางผิดเวเป็นหละนะักจากนั้นก็เรื่อง การบวชเขามามีสองปริยัตและปฏิบัติวิปัสนาคันถาธุระและวิปัสนาธุระนะวิปัสนาธุระเนี่ยคือภาคปฏิบัติแต่เวรคันถาธุระเป็นผู้ดูแลหลักพระธรรมวินัยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญอะไรทางวิปัสนาธุระคันถาธุระนะ่ ท่านก็สรรเสริญว่าวิปัตสนาธุลัดีกว่าคือพระจุลลการมหาการในครั้งพุทธกาลพอบวชเข้ามาเป็นสองพี่น้องเป็นลูกเป็นคนเสศจเป็นเศษฐีแล้วก็ลาออกมาบวชผู้พี่เนี่ยเป็นมหาการอายุมากผู้น้องก็ไปจุลลการพอบวชเข้ามาแล้วก็ทั้งผู้พี่เนเออ่เราอายุมากแล้วเราไม่เรียนปริยัต เรียนรู้แนวทางแล้วปฏิบัติแล้วก็ไปกระทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถากการบวชในพุทธศาสนานี่มีกี่อย่างพระเจ้าคาพระพุทธองค์บอกว่ามีสองคือคันถาทุระคือเรียนหนังสือคือเรียนพุทธที่เราตรัสยังไงอยู่ที่ไหนยังไงจดจำในการสอนของเราอันนี้เรียกว่าขันถาทุระ ส่วนวิปัสนาธุระนั้นเมื่อศึกษารู้แนวทางแล้วออกไปปฏิบัติไปภาวนาอยู่ตามลำพังชำระกิเลสภายในใจของตนให้หลุดพ้นจากอาสาวกิเลสก็ถามว่าอันไหนทั้งสองอยา่างอันไหนดีพระพุทธองค์บอกว่าคันถาธุระเนี่ยคือผู้เรียนผู้เรีย น, เ, นยเหมือนกับเลี้ยงโค เ, เลี้ยงโคนมเลี้ยงวัวนม แต่ว่าวิปัสนาธุระนะเป็นเจ้าของของวัววัวนมอพอพวกที่เลี้ยงวัวนะอพอเลี้ยดวัวได้ก็ต้องไปให้เจ้าของเจ้าของต้องได้กินได้ดื่มนมวัวนมนมโคนมวัวนะถ้าจะเปรียบเทียบกันน้นะผู้ปฏิบัตินะัอได้กินบมนมวัว อคันถาธุระนี่รักษารักษาฝูงวัวจากนั้นพระมาหากาลนก็เลยจักจะเป็นเจ้าของวอัวเอก็เลยไปปฏิบัติภาวนาได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ส่วนน้องชายเนี่ยก็เรียนประหยัดว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังควรจะเรียนประหยัดให้ได้รับรู้รับทราบในเรื่องราวต่างๆผลที่สุดก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะพวกภรรยาเก่าที่จับ กลุ่มกันเลยจับปลาสิขาอาท่านก็เลยกลับไปเป็นเศรษฐีอย่างเก่าฮนี่แหละอันนี้ก็คือมาในครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะคณะธรราญาติโจบสรุปแล้วก็คือปริยัติก็ส่วนหนึ่งปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งแต่มีคุณค่าทั้งสองอย่างาถ้านําพันหมาผนวกกันแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับได้เราเรียนศึกษาใน แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายหนึ่งไม่ใช่ไม่เรียนเรียนเรียนในระดับหนึ่งแต่ไม่เก่งไม่ชำนิชำนาญแต่พอรู้แนวทางแล้วก็ศึกษาในภาคปฏิบัติจิตภาวนาดูทางดิษ ด, ด้านจิตใจนี่เรียกว่าพระคันธทุระท่พระวิปัสสนาทุระอันนั้นคอยพวกเราทุกๆท่านนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวทางแนวคิดอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกได้เรียนรู้ศึกษาเอาตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนา